าของเจมีควาสุขของดของเสรไปไดสมายจมีความสุขไทยๆในโลกให้ความสุขได้มานสูขตลอดเวลาความสุขนเหมือนผาโาชย้ได้มาหากินถ้เจอตัวนะฉันแก่เท่าก็้ีบทงานความสุขตลอดเวลาเป็นตอด็ๆ ท่บ้านทะเลนั้นจะมีความสุขเรียนังอแล้วถ้าไดงานดีๆจะมีความสุขเรียนหังสือจบระดับปุ่ยจะมีคสมีาีพมังมีงานทำแสงว่าจะมีความสุขจใยงใหก็ยงเห็นมีสขคิดาเลยวจะมีความสุขรทหายมีความส มี่พอมีครอบครัวเราจะมีความสุขมีควานี้ยมีสา้ีมีลูกมันก็งายเ่านั้นนะความสุขมันเยอะกว่าความสุขซะอีกอารมณมันเยอะแยะเลยเราที่หาความสุขกันตลอดชีวิตจนแก่จน老คนแก่ล้วมากก็สึ่งไม่มีความสุขแนละหามาตลอดชีวิตแนละ้วจนหมดแรงจะหามันก็ยังไม่มีความสุขอีก เจ็บหนักก็ไม่จะตายเราอยู่โรงพยาบาลเหนะ็นไหมคนเจ็บหนักๆเลยเขาอยากตายรู้สึกไหมสั่งมอเลยอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมให้ฉันตายทำ ไ, ไมทำไมอยากตายจะได้คนปุกคนร้อนสักทีทีนี้อยากจะมีความสุขเลยความสุขว่าถ้าแต่เกิดนะนถ้าท่านจะตายแล้วผ่าตัดว่าตายแล้วจะได้มีความสุขกับคนสักทีที่ไม่ต้องเจ็บปวดทรมานที่คนในโลกมันจะหาความสุขไม่ให้ แต่ว่ามันหาออกจากภายนอกหาให้ภยนอกพระพุทธเจ้าสอนให้เรามาหาความสุขนะใชยการย้อนเข้ามาเรียนรู้ตัวเองอปณานอิโกเราต้อาาหาตัวเองระเดีนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือใจกระใจนี่แหละพูดภาษาแฉกภาษาธรรมะบอก ร, ร, อ ร, ร, รู้นามมาคอยรู้รูป้นามรู้กายรู้ใจของตัวเอง ธรรมะอยู่ที่กายอยู่ที่ใ จ, ใจไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นถ้าเรียนรู้ได้นะไแล้วตอนเปจะมีความสุขที่สุดเลยเพราะเราเคยได้ยินไหมว่าเราพุทธเจ้าเปิดปาก น, นะมพปานังปรำมังสุขขาเคยได้ยินไหมประโยชน์เนี่เวลาถ้าปูนเวลาภาวนาอยากได้ปฏิปักไหมแน่ใจไหมว่าอยากได้ปฏิปักษ์จริงอยากให้ปรำมังสุขขัวไหมที่จริงหาความสุขไง จะตั้งากรานะอยากได้ปรมาสุขะมีความสมปรมาสุขนะทำบุญกระทิพ่านบีควนใชาบาตรหลวพ่อโอ้ข อ, ขอให้ได้นิานเราปากไวนั้นไม่ได้ใส่บาตรใส่าบาตรก็ได้พิพพานหรอกไม่พอต้องมากกว่า น, นั้นใส่บาตรแค่ทงทานมะจอีนะ คำทานาเดียวไม่ถือศีลขออนินาพานไม่มีทางหรอกตั้งใจรักษาศีล น, นี่ทำทานเพื่อรักษาศีลด้วยขออนินาพานไม่ได้หรอกยังไม่มีสมาธิอย่ใจไม่อยู่กันแน่ตัวทำทานรักษาศีลําสมาธิแล้วขออนินาพานได้ไหมไม่ได้ยังไม่ได้เจริญปัญญายัางไม่ได้รู้รูปรูน้ำการเจริญปัญญานะคือการเรียนรู้สิ่งที่เรีกว่าตัวเราเองคือรูปน้ำกายใจของเรานี่เอง ตับใคที่ไม่สามารถมาเรียนรู้ความจริงของใครของใจได้เรายังห่างไกลพระนิพพานถึงทํำบุญทุกวันนะขอประนิพารทุกวันมันก็ไม่ได้หรอกาศาสนาพุทธไม่ใช่าศาสนาของคนชีขอทํำอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นอย่าเราทําทานเราก็ได้ผลของการทําทานเรารักษาศีลเราก็ได้ผลของการรักษาศีลเราทําสมาธิเราก็ได้รับผลข อ, ของสมาธิ เราเจริญปัญญาให้รับฝนของปัญญาถ้ามีครบเลยมีฐานมีสีมีสมาธิปัญญาครบอริยมุนเราจะได้มีมูลให้หลุดออกจากความยึดถือในรูปในนามในกายในใจถ้าเมื่อไหร่หมดความยึดถือในกายในใจในรูปในนามของตัวเราองได้เราเสกจิตอานถ้าเรายังยึดถืออยู่ในรูปในนามในกายในใจในสิ่งที่เรียว่าตัวเราตัวเรา เราเห็นนิพพานไมได้จะเห็นนิพพานได้เราต้องปล่อยวางความยึดถือในรูปในนามในใจในใจได้เราจะปล่อยวางความยึดถือในรูปนามใจใจได้ต้องมีปัญญาเห็นความจริงว่ารูปนามใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างที่เคยนึกหอกพวกเราละข่ายของเราไหมละขัดข่ายหมดกัดเราโอ้โหไหมโยกขัดโอ้โหไหมโยกบักขัดเราเนี่ย อยู่ทำความผิดข้อหาเ่ยมาขโมยเลือดนี่ข้อหารักทรัพย์ใช่ไหมมนทำให้เราเจ็บเจ็บคันคันในข้อหาทำร้ายร่างกายเราตัดสินประหารชีวิตโว่หไหมตบพว้ยนโอโว้กรรมเก่าของอยู่กรรใหม่ของเราสิ <S <S <S ต้องเรียนนะอย่างพวกเรามันจะรักตัวเองอย่างอยู่แน่น าการที่เรามาเรียนรู้กายรู้ใจตั้งปะเป็นจิตเราจะเห็นว่ามันไม่น่ารักมันไม่ใช่ของดีของวิเศษาการที่เราเห็นใคอยตามรู้ตามดูเราเห็นความจริงของใครของใจเราไม่ใช่ของดีของวิเศษอนั้นแหละคือคําว่าวิปัสสนากรรมาฐานใคยได้ยินไหมคำว่าวิปัสสนากรรมาฐานวิปัสสนาคะคําว่าวิและคำว่า ว, วาปัสนะปสนาวัสสนาว่าการเห็น วิมาวแจ้งเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นว่าความจริงนะร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกมันเป็นอนัตตามบังคับไม่ได้นี่แหละคือคำว่าวิปัสนาเห็นไม่เพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งเราจะปล่อยวางจาจคลายไม่ยึดถือในกายในใจเพรารู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตใจนี้ไม่ใช่ของดีของพิเศษ ถ้าเรียนสํานล้วซ้ำอีกนะทํำวิปั ส, สนากรารมฐานมารู้ความจริงของกายของใจเรื่อยไจะเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของดีเสษอย่างที่นึกหอกพวกเรารู้สึกไหมร่างกายเป็นทุกใครเคยรู้สึกวาร่างกายเป็นทุกข์บ้างมีไหมโอ้โอโอพวกนีกเป็นอนาขามากเห็นได้ต้องเป็นตอนาขาน่ะใครจะเห็นว่าจิตใจเป็นทุกข์ไหม เห็นได้เป็นพระอรหันต์ไม่เห็นนรอกคีโมเราเห็นอะไรเราเห็นว่าร่างกายเนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมเราไม่เคยเห็นเราว่าร่างกายเป็นทุกข์อ่ะเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นไหมเราเห็นว่าจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่ได้เห็นว่าจิตใจเป็นทุกข์นะงั้นพวกชี้ตุกยกลื่นยอดเลยไม่เห็นเละไม่เห็นจริงหรอกแค่เห็นภาพเป็นพระอรหันตกันแล้ว การที่เราไม่เห็นความจริงว่กกาใจนีใจนี้เป็นตัวทุกข์นะเราก็เปเห็นวนะ่าทุกข์กว้างสุขก้างมันจะมีทางเลือกแล้ามันยางรักมันยังบุญแหงอะไรมาทําให้ร่างกายเป็นทุกขนะ์นั้วเราก็หมู่มันนะอะไรมาทําอย่างยุงมากัดเนี่ยทําให้ร่างกายเราเป็นทุกข์ร้องโดดอยู่ข้ามชิงเฉลย น, นะสมน้ําน้า ม, มันเป็นเก่าๆของมันกงเล็กลบกรรมใหม่ของเรานะเรารักเราบุญแหง เราก็ปล่อยวางไม่ได้จิตใจนี่เหมือนกันพรากเราเห็นวนะ่าจิตใจมันเป็นทุกบ้างเป็นสุบ้างเราก็ดิ้นรุนหาทางทําให้จิตใจมีความสุขหาทางทําให้จิตใจพ้นจากความทุกข์เป็นทุกข์รุ่มใจวิ่งไปดูหนังวิ่งไปฟังเพลงวิ่งไปกินเหล้าวิ่งไปทำเรื่องนั้นอ น, น, น, นี้ไปทัศนาจรวิ่งเข้าวัดวิ่งไปทําุตสาหะพัก เ, เพื่ออะไร เพื่จะมีความทุกข์ใช่ไหมเพื่อจะให้จิตใจมีความสุขเราอยากเห็นว่าจิตใจเรามีทางเรื่องนะยังมีโอกาสที่จะมีความสุขได้เราเห็นว่าร่างกายเราก็ยัมีโอกาสมีความสุขได้ไม่สบายก็มาหาหมอมเข้าโรงพยาบาลนะรักษาเปล่ามันหายมันจะไมีความสุข <x> อีกการที่เราอยากเห็นว่าร่างกายนี้เป็นสุขบ้าง <x> เป็นทุกข์บ้างเห็นว่าจิตใจนี้เป็นสุขบ้าง <x> เป็นทุกข์บ้างเนีวยกว่าเราไม่รู้ทูก เรายังไม่เห็นความจริงของธาตุของขันธ์ของกายของใจพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนะว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอย่างที่พวกเราเห็นท่านสอนว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์อะไรเป็นขันธ์ห้าบ้างรูปคือร่างกายนี้เป็นขันธ์ห้านะเป็นทุกข์ท่านสอนว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ยรูปเป็นทุกข์เราไม่เห็นอย่ที่ท่านสอนนะบอกไหมเราเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้าง ท่านสอนว่าจิตใจนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ใช่มหมอย่างที่เราเห็นนะสุขทุกข์ทุกข์ท่านสอนว่าอย่างตัววิญญาณตัวจิตตัววิญญาณขันธ์นะเป็นตัวทุกข์เราไม่เห็นนะเราไม่เคยเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกต่ทุกข์น้อยเนี่ยเราไม่เคยเห็นเราเห็นแต่ว่าขันธ์ห้าเนี่ยเดี๋ยวก็ทุกขเดี๋ยวก็สุ ข, สขนะในความเป็นจริงแล้วถ้าเมื่อไหร่ ความทุกมั น, นลดลงเลยเพราะนั้นเราจะรู้สึกว่ามีความสุขแต่ความสุขเป็นภาพลงตาในหลอกหนะลับเราให้เราหลงโลกให้ความจริงมันทุกข์แต่ว่าเราหลงโลกเราคิดว่ามันเป็นความสุขมันมีความสุขได้นั่นคนคนหนึ่งมาติดคุกแล้วทุกวันเขาถูกผู้คุมสอบทุกวันนะผู้คุมจะต้องชกยี่สิบครั้งทุกวันทุกวันอีกวันหนึ่งผู้คุมด้วยอเมืเม่อชกสิบห้าครั้ง รู้สึกมีความสุขไหมคนที่ใครถูกชกยี่สิบครั้งวันนี้ถูกสิบห้าครั้งโอ้วันนี้มีความสุขอย่างเลยอีกวันหนึ่งเหลือสิบครั้งมีความสุขไหมนี่อีกวันหนึ่งสิบสองครั้งสุขไห ม, 1, ไ, หมไม่สุขแล้วักถุกแล้ว mm hmm. เคยสบายวันนี้นะเคยสบายวันนี้แล้วก็มันทุกปากเขาเรารู้สึกทุกข์และตัวความสุขมันหลอกครับในความเป็นจริงมันเป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย ถ้าเราเกิดปัญญามากๆเราจะเห็นเลยครูบาอาจารย์องค์หนึ่งบอ ง, งพ่อและชื่อหลวงปู่เทสหลวงปู่เทสเทศสังศีอยู่อินบังเป้ยให้ไปสอน น, นอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรหลุดไปความจริงอนนี่เป็นคำสอยขอ ง, ของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเขาก็มี เพราะเราไม่เห็นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราไม่เห็นเราเห็นแค่สุขบ้างทุกข์บ้างนะเดี๋ยวสุขก็เกิดเดี๋ยวทุกข์ก็เกิดเนื้อทำไงเราจะปล่อยโลกได้เราจะปล่อยวางความยึดถือในกายในใจเราต้อเห็นความจริงว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรจับไปถ้าเห็นความจริงอย่างนี้ได้เราถึงจะปล่อยวางได้ถ้าไม่เห็นไม่ปล่อยหรอกุกล่ๆโผล่ๆไปได้เพราะเราภาวนาโผล่ๆโผล่ๆรู้สึกไหม วันนี้ก็ดีนะวันก็ไปล้วเพี้ยนวันนี้ก็อยากนิพพานเพรา ะ, ละโลกนี้น่าเบื่อมีวันในโลกนี though, ้มันนะเป็นไหใครเป็นมากตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตูนตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ต์๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตถึงจะรู๊ตู๊รู๊ตู๊ตอ๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ตู๊ต นี้ทำยังไงเราจะสามารถเห็นความจริงว่ากายในี้ใจนี้เป็นตัทุกข์ในความเป็นจริงมันทุกข์อยู่แล้วไม่ต้องเสแสร้งดรอรอรัศนจริยธรรมว่ฉันเห็นทุกข์เห็นทุกข์นี่จริงทุกข์อยู่แล้วไม่ต้องแกล้งคิดเลยมันทุกข์ในตัวของมันเองอะูแ่แค่ okay, แต่พวกเราล้ า, ลาเลยที่จะรู้เราทนไม่ได้ที่จะเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ตวนเราทนรับความจริงไม่ได้ ความจริงคือธรรมะานั้นแสดงตัวอยู่ตลอดเวลานะแต่เรารับธรรมะไม่ได้เองแต่นะ <Ooh. S 2> เรามีความจริงนะเราไม่รักเรารักตัวเองที่สุดแต่เราละเลยที่จะรู้ตัวเองวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดถึงคนอื่นเยอะแยะเลยรู้สึกไหมคิดถึงคนอื่นเยอะแยะเลยนะสนใจดูก็ดูเรื่องคนอื่นลองไปเปิดโทรทัศ์สิมีแต่เรื่องคนอื่นทั้นั้นเลยแก็เปิดอยู่นั่นแหละเราไม่มีดูตัวเองนะมีแต่ดูคนอื่นตลอดเลย แล้วจริงๆแล้วอะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจถ้าเราอยากรู้เราก็รู้ได้เช่นร่างกายหนยใจออกเรารู้ว่าร่างกายหายใจออกรู้ยากไหมเห็นร่างกายหนใจออกเห็นร่างกายหนใจเข้าเห็นร่างกายกําลังยืนเห็นร่างกายเดินเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายนอนไม่เห็นมันจะยากตรงไหนในกายก็รู้ได้ขยักหน้ารู้สึกไหมเห็นร่างกายพยักหน้าฟังหลวงพ่อเทศน์ไปเรื่อยๆเห็นไหม รู้แต่เรื่องที่หลว พ, พ่อเทศไม่เห็นตัวเองกำลัง เ, เคลื่อนไหวอยู่แต่รู้ได้ไหมตั้งใจเคลื่อนไหวจะคอยรู้จะรู้ไดไ้รู้ได้ทุกคนหละแต่ไม่ยอมรู้รู้ได้ทุกคนแต่ไม่ยอมรู้จิตใจก็เหมือนกันไม่ใช่เรื่องยากที่จะรู้ใครรู้จักตรวจมั้ยมีไหมยกมือซิใครเคยตรวจมีไหมหลวงพอดูรักเลยมีแต่หนา้านาคาไม่มีเปิดาทั้งวง แล้วค ว, วามโรธพเราเขรู้จักใช่ไหมความโลภเรารู้จักไหมอยากโลดอยากนี้เรารู้จักไหมกลัวเป็นไหมกลัวรู้จักไหมว่ากลัวเป็นยังไงอิจฉาเป็นไหมผู้ชายเ็ยอิจฉาไหยไหนผู้ชายคนไหนจะอิจฉาแล้วคนให้ดูเสียมีไหมโอ้มีนะผู้ชายที่มีสีมีธรรมเพราะว่าอิจฉาแล้วยังสารภาพนะ ผ, ผู้ชายที่กลัวมี้ไหมมี ตัวช้าอะไรเป็นพวกอะไรแต่ชับโทษผู้หญิงว่าขี้อิจฉาเคยได้ยินไหมนายอิจฉาไม่มีใช่ไหมมีแต่นางอิจฉาเออโทษใส่ผู้หญิงนะ่ะจริงผู้ชายเห็นไอ้หนุ่มคนอืนะ่นน่ะเปจีบสาวได้ก็อิจฉานะไม่ใช่ไม่อิจฉาและความรู้สึกนานชนิดเนี่ยพวกเรารู้สึกได้อยู่แล้วโวดธเราก็รู้จักว่าโกรเป็นยังไงโรคเราก็รู้จักว่าโลคเป็นยังไง หลงเป็นยังไงเราก็รู้ใจลอยเป็นยังไงก็รู้ฟุ้งซ่านเป็นยังไงก็รู้หดหู่เป็นยังไงก็รู้ดีใจเสียใจเป็นยังไงก็รู้สุขทุกเป็นยังไงก็รู้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่แล้วแต่เรารลังเลยที่จะรู้เราไม่รู้หรอว่าถ้าเราอยากได้ความสุขจริงๆเราคอยรู้อยู่ที่กายที่ใจตัวเองเนี่ unified. แเร า, าหมดแต่ไมหาความสุขที่อื่นเราไม่อยากรู้กายรู้ใจทั้งๆั้งที่ถ้าจะรู้ก็รู้ได้ เรารู้กายของเราเองเราก็รู้ได้แต่เราไม่อยากรู้เรารู้จิตใจของเราเราก็รู้ได้แต่เราไม่อยากรู้ไม่สนุกรู้สึกไม่สนุกเราลองกลับนะเปลียขั้มต่อไปนี้เราคอยมารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจของตัวเองบ่อยๆดูความจริงของกายดูความจริงของใจบ่อยๆอย่าใจลอยไปที่อื่นซะอย่าเอาแต่ลงไปคิดเรื่องดื่นคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจบ่อยๆ รู้สึกไปเรื่อยวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดร่างกายอย่างนี้เรานั่งอยู่ถ้าเราใจรอยเราไม่รู้เรอว่ามันทุกข์พวกเราที่นั่งอยู่ตั้งนานนานน้เนี่ยคนไหนขัดบ้างนั่งมาหลายนาทีแล้วมีคนไหนแอบเกาไปบ้างมีไหมมีเยอะแยะเลยที่หลวก็เห็นนะเหมือนลิงนะ <laughs> แต่ถามว่าคนไหนเกาแล้วมียกมือสองสามคนที่เหลอไม่รู้ตัวนะเกาโดยไม่รู้ตัว เคยเห็นคนเกินโทรศัพท์ไหมถ้ทาทางตลกไหยบางคนบางคนก็น่เชื่อถือบางคนก็มั น, น, มนว่าแต่คุยแล้วเพลินนะลืมตัวเองถ้าเราจะรู้จักตัวเองเราจะรู้สึกตัวเองไม่ใช่เรื่องยากนะมันยากเฉพาะคนไม่ปฏิบัติเรางู่ดูลย์เคยสอหลวงพ่อนนะการปฏิบัตนะิมันไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ เราไม่สนใจที่จะรู้กายรู้ใจของตัวเองเรารัาเลยเราคิดว่าธรรมะอยู่ที่อื่นเราไม่รู้หรอกว่าธรรมะแทแ้ๆอยู่ที่กายที่ใจของเราเองร่างกายเป็นธรรมะนะชื่อว่าอะไรชื่อว่ารูปปรธรรมไปได้ยินไหมรูปประธรรมจิตใจเป็นธรรมะนะชื่อว่านามธรรมดังนั้นธรรมะอยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเราเนะี่เราอยากได้ธรรมะ菩萨นั่งร้อนวันนั้งแต่ 3, ีสามตีสี่ก็มีนะจะมาฟังธรรมะจากหลวงพ่อกระโมด ที่เราธรรมะมาจากบ้านไม่เละงอแต่เราจะมาเอาธรรมะที่หลวงพอประมดได้อย่างไทํารมะอยู่กับตัวเราเองอยู่ที่กายอยู่ที่ใจรู้ก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้ต่อไปนี้ไม่ละเลยนะคอยรู้อีกที่กายปรรู้อีกที่ใจทําไมเราไม่รู้กาไม่รู้ใจตัวเองเราใจรอยเราชอบอีกที่คิดใสกใจไหมเวลาเราไปคิดเรื่งนองโนนเรื่องนี้ เราจะริืมกายลืมใจของตัวเองเวลาเรานั่งคิดอะไรเกินๆยุงกัดก็ไม่รู้ใช่ไหมยุงกัดก็ไม่รู้รแล้วบางคนนั่งเล่นไพ่นะจดจ่ออาการเล่นไพ่ตำรวจมาเพื่อนหนีไปหมดเราจะไม่เหนื่อยหน้าแต่ไพ่นะไม่รู้เลยนะมันล่าเลยที่จะรู้นะถ้ารู้ก็รู้ได้ทําไมจะรู้ไม่ได้ใจของเราขนาดนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทำไมเราจะไม่รู้ ใจของเราขนาดนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลใจเราโลภไหมใจเราโกรธไหมใจเราหลงไหมเรารู้ของเราได้อยู่ถูกเวลาอยู่แล้วแต่เราละเลยเราไม่รู้ว่าขงดีของวิเศษอยู่ตรงนี้นะผมก็ให้กันบ้านพวกเรานะนานๆเจอทันทีมีบางคนเราตามไปถึงกรุงเทพบ้างตามไปสีราชาบ้างส่วนมากก็ไม่ได้ต่างไปนานๆได้เจออันครั้งหนึ่งให้กันบ้านตอนป็นี่นะอย่าใจลอย คอยรู้กายคอยรู้ใจของตัวเองบ่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกอย่างนั่งอยู่เนี้ย น, นั่งแล้วเมื่อยไหมเมื่อยใช่ไหมเมื่อยแล้วเราทำไงเราขยับขยับอยู่ตลอดเวลาเลยก็าถามว่าเมื่อยไหมไม่เมื่อย ก, <c oughs> ก็อะไรเราไม่รู้ไม่ใช่ไม่เมื่อยจริงๆร่างกายเป็นทุกขอยู่ตลอดเวลาเนะี้ยเดี๋ยวก็คัน เดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยนะสารพัดจะเป็นเลยแต่เราไม่รู้ที่เราไม่รู้เพราไม่สนใจนะว่าจะเป็นปสนใจอย่างอืง่นหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดนะเคลืนไปออกแต่นข้างนอกกลับไปแน่วใหม่ค่อยมรู้สึกค่อยรู้สึกร่างกายเรื่อยๆคอยรู้สึกจิตใจเรื่อยๆนั่งไปนั่งอยู่ก็อคอยรู้สึกนะมันปวดมันเมื่อยขึ้นมานี่เห็นเลยร่ากายมันปวดมันเมื่อนะก็ขยับได้นี่ไม่ใช่ห้ามขยับ พอพยายามไปนะถ้าสบายขึ้นมานะั้นเดี๋ยวก็ปวดเมื่อยนะถ้าดูทั้งวันเราจะเห็นเลร่างกายมีเป็นไปด้วยความทุกข์ร่างกายไม่ใช่ของดีของมิเตนะ็มแล้วร่างกายนี้มีภาระตลอดเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาเดีย๋ยวหิวเดี๋ยวนาวเดี๋ยวร้อนเดียวก็หายนะเดียเด๋ยวคันะเดี๋ยวปวดอือปวดฉีดเดี๋ยวปวดเมื่อยสาระพันจะเป็นนี่เราคอยรู้สึกที่ร่างกายเราก็จะเห็นเลร่างกายไม่ใช่ของดีอนยะ่างที่เคยคิดหรอก กวนเว่ยอตลอดเวลามีความทุกข์บีบคั้นอยูตลอดเวลารู้ก็รู้ได้แต่ไม่ยอมรู้ละเลยที่จะรู้แล้วเราก็หลรักสิ่งที่เป็นที่เป็นภัยนะก็คือขันห้าตึงกายตใจของเราเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวทุกข์ตลอดเวลามาหันมาดูจิตใจนะจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงหันรู้หันดูบ่อยๆในส่วนเราจะเห็นหนึ่งสุขก็ชั่วคราวแวบเดียว ทุกข์ก็ชั่วคราวนะดีก็ชั่วคราวโลโรโลคปวดหลงก็ชั่วคราวมีแต่สชั่วคราวแล้วใจเนี่ยนะถูกบีบคั้นตลอดเวลาเดี๋ยวอยากโ น, น้นเดี๋ยวอยากนี้เดี๋ยวอยากโ น, น้นเดี๋ยวอยากนี้ลองสังเกตใจเราสิอยากตลอดเวลาเลยเกือบตลอดเวลานะมีความอยากเกิดขึ้นแท้ตลอดเวลาเลยใจเรามีความอยากเกิดขึ้นในใจถูกบีบคั้นแล้วนะใจไม่มีความสุขแนละ้ว ดจิตใจของเรานะถูกกิเลสถูกตัณหนาถูกความอยากเนะีบีบขั้นตลอดเวลาแต่เราไม่เคยรู้ต่อไป น, นี้เราก็เคยรู้อยู่ที่ใจบ้างนะใจเราเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจอย่างนน้นอย่างนี้ก็รู้ใจอยากขึ้นมาก็รู้พอมีความสุขก็อยากให้อ ย, อยู่นานๆพอความสุขหายไปก็อยากให้กลับมาเสียดายอะไรอาอรใครเคยบอกห่านบะ้ามไหมยกมือให้ดูมีไหมกล้าหาหน่อย ส่วนใหญ่ที่ยกมือเป็นผู้ชายน่าสงสารผู้ชายที่สนุโรคอกหักหลายคนผู้หญิงไม่สร้อยอกหักอกหักทุกไหมทุกใช่ไหมแล้วหายไหมหายทุกแค่ไหนก็หนยอกหักไม่ทุกมากนะใครใครอกหักแล้วจะรู้ว่าอกหักเัาทุกมากใครไม่เคยอกหักนะถือว่าขาดรสชาติของชีวิตไปอย่างหนึ่ง แล้วความทุกข์เกิดขึ้นมานี่ยถ้าเราถูกเป็นนะคเห็นความทุกข์ก็ช่วคราวนะความสุขเราเราเลือกดูในชีวิตเราเนี่ยมีความสุขอะไรผ่านมาแล้วบ้างมีบ้างไมา้มลองเลืกดูเห็นไหมความสุขที่เราเลือกได้นี่เป็นความสุขที่ผ่านไปแล้วนะความสุขก็มาแล้วก็ไปนะความทุกข์มาแล้วก็ไปตามนั้นก็ตามสูไปเรื่อ ย, ยนะเห็นแต่ของช่วคราวในใจของเราเห็นแต่ร่างกายเห็นแต่จิตใจ เป็นเปด้วยของชั่วคราวเป็นไปด้วยความไม่เที่ยงเป็นด้วยความบิบพั้นร่างกายก็ถูกบีบคั้นถูกความทุกข์บีบคั้นจิตใจถูกความอยากหบีบคั้นแล้วจิตใจก็ถูกไปด้วยเป็นเป็นด้วยของบังคับไม่ได้ร่างกายจะหายใจออกร่างกายจะหายใจเข้ามันก็ต้องหายใจเลยบังคับมันก็ไม่ได้สั่งให้มันนั่งนิ่งๆนานๆห้ามกระดุกกระดิกไม่ได้ทรมานควบคุมมันไม่ได้สั่งให้มีความสุขตลอด สั่งให้สาวตลอดสั่งให้ลุงตลอดสั่งไม่ได้ชั่งยังนร่างกายเป็นของสั่งไม่ได้โตที่สั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้นี่คือคำว่าอนัตตาจิตใจก็เป็นอนัตตาสั่งให้มีความสุขก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้มีความทุกข์ก็ไม่ได้นะสั่งให้มีแต่กุศลก็ไม่ได้ห้ามเกิดอกุศลก็ไม่ได้เพราะเราหาภาวนาือจิตตัวใจเป็นรู้สึกไหมอกุศลเกินบ่อยมันวันหนหาอกุศลยากมากยากมากนะ อกุศลเกิดทั้งวันเลยอกุศลตัวหลักเลยที่เกิดก็คือโมหะความหลงใจลอยบ่อยรู้สึกไหมวันหนึ่ใจลอยนับครั้งไม่ถั้วอนอกุศลเกิดบ่อยนะฉะนั้นพรเพุทธเจ้าท่านถึงบอกวคนส่วนใหญ่นะตาเราไปอบายพวกเราเป็นคนส่วนน้อยนะพวกเราสนใจธรรมะต้ปลูกใจนะเราเคนส่วนน้อยคนส่วนใหญ่เขาไม่สนใจเพราะฉันวันวันหนึ่งนะเขาถูกกิเลสลากไาเป็นตลอดเวลา ใจิตใจคุ้นเคยอยู่กันอับปุสนต้ายได้ก็ไปในที่ไม่ดีนี่พวกเรามาฝึกจิตฝึกใจของเราเองใครรู้จิตรู้ใจของเราเองได้ไปรู้กาย ร, รู้ใจได้ไปเห็นแต่ของไม่เชื่อเห็นแต่ของเป็นทูกข์เห็นแต่ของบังคับไม่ได้พอเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกมันจะรู้สึกว่าไม่ใช่ของดีเสแล้วร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีเสแล้วจิตใจนี้ไม่ใช่ของสุขตลอดเนี่ยที่เราเคยเลืกนึก หรือว่าสุขบ้างทุกข์บางเนี่ที่เคยมึนมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองเพอเห็นในนี้ความยึดถือในกายในใจจะลดลงลดลงนะถ้าเมื่อไร่มันถึงขีดสุดมันลดลงไปมันจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลภมัจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจจิตมันจะเข้าไปถึงสภาวะอีชนิดหนึ่งที่ไม่ก่อะไม่เกี่ยวกับอะไรนะเป็นอิสระใครอยากเป็นอิสระบ้างดีไหม ใ, ใครๆเขาอยากเป็นนะแต่ไม่อิสระรู้สึกไหมจิตใจเราถูกความอยากสั่งทั้งวัดเลยรู้สึกไหมนะ่ะสั่งไปไปฟังเศนงไปไปเลิกัง้งนไปโนอนไปนี้สั่งทั้งวันเลยนะสั่งถ้ามันสั่งแล้วเราไม่ทำตามมันจะทุกข์มันจะลงโทษ น, นะถ้ามันสั่งให้เราไปดูหนังแล้วก็ไปดูมันจะให้ความสุขเราหน่อหนึ่งแล้วมันก็สั่งงานใหม่ เพรทุกคนเป็นทาตเลยไม่รู้สึกตัวเราเป็นทาตของตันหานที่เราไม่รู้สึกตัวดลงนั้ต่อไปนี้เราต้องมาเริ่มทาตุเเองสักทีนะตรดปล่อยตัวเองใหนะ้เป็นอิสระสักีด้วยการรู้ทันกายรู้ทันใจของติ่งเรื่อยๆเดี๋ยใจลอยสัตรูเบอรหนึ่งของการภาวนานเลยก็คือใจลอยนั่นเลยดังนั้นจากใจลอยต่อไปนี้ความรู้สึกกายความรู้สึกใจอะไรไม่ได้เห็นนะมีแต่ทุกข์แต่โทษเกิดขึ้น เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะใจฉลาดเนี่ยกเกิดปัญญาเห็นความจริงกายนี้ไม่ใช่ของดีของมิเศสนะจิตไม่ใช่ของดีของมิเศสการนี้เป็นตัวทุกข์จิตให้เป็นตัวทุกข์ถ้าเราเห็นได้ประกายเป็นตัวทุกข์เวลาจะตายจะเสียได้ไหมไม่เสียได้ตัวทุกข์จะตายสมนัมห้ามสิตัวทุกข์จะแตกตัวทุกข์จะดับไม่เห็นจะเสียได้เลย ใครเคยานพุทธประวัติว่าวันที่พระพุทธเ จ, จ้าจะปลินิพพานท่านผ่องใสมากเป็นดอกแมทพระนนท์ก็บอกว่าดูสุขภาพพ่อผมวันนี้ดีเป็นพิเศษผองใสเป็นพิเศษเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านผ่องใสสุดขีดสองครั้งครั้งที่หนึ่งคือวันที่ตรัสรู้ครั้งที่สองคือวันที่เจแปลินิพพานวันที่ตรัสรูนะนะ้นั่นแหละเป็นนิพพานชนิดหนึ่งนะิพพานกีิเลส ข้ากิเลสตายหมดเลยกิเลสตายหมดแล้วใช่ไกิเลสปริทิภานั้นจิตใจท่านมีความสุขมากข้ากิเลสตายหมดท่านผ่องใสมาวันสุดท้ายในวันที่ร่างกายท่านจะแตกดับนี่ขันปริทิานขันนิภานไม่ใช่กิเลสนิภานนิภานมีสองอันนะมีกิเลสนิภานกับขันนิภานกิเลสนิภานนี่คือบรรลุกาวอรนวันที่บรรลุาวรหนท่านจะผ่องใส ของใส่เพ็งพิเศษแล้ววันที่จะตายของใส่เพ็งพิเศษวันที่ขันยัปรินิพพากทำไมเราใส่พวกเราวันไหนจะตายรู้สึกเศร้าโศกไหมโอตายเสียดาถ้าตายเราเดี๋ยวเมียเรามีแฟนใหม่หรืออย่างนี้เขามีนะเดี๋ยวก็เืี๋จะมาเอาสมบัติของเราไปสร้าหงหออะไรเอาบอนมันต้องคลาดจา ก, กคนที่เรารัก พวกเรามีคนที่รักอยู่ในพวกเราเนี่ยพนี้มีไห ม, ม, มแต่ละคนมีสักคนสองคนนีคนที่เรารักไข่ของแข็งโงใหญ่ถ้าตายเราต้องพลากจากคนนี้เะได้ไหมจะได้แต่ถ้าเราดูตัวเองเป็นนะมี่จะทุกข์กันเลยเรารักใครเราก็ทุกข์นะเรามีสมบัติอะไรเราก็ทุกข์มีรถยนต์เราทุกข์นะตัวรถหายตัวซื้อรถมาใหม่ๆตัวคนไม่ขีดพูดขีดนะ ตะปูมาฉีดแรกในกรุเทพมีเยอะนะรถใหม่ๆอุจจาระตะปูมาฉีดทําร้ายจิตใจเศ้าโศกรักอะไรแนะล้วก็ทูกขร้อนนั้นแต่สุดท้ายไม่ว่าเราจะรักแค่ไหนนะสุดท้ายทุกคนต้องทัดท่าจากสิ่งที่รักสิ่งที่เรารักที่สุดก็คือใจดั่งใจของเราเองชีวิตเหล่านี้เลยเรารักที่สุดถึงวันหนึ่งเราจะต้องทัดท่าจากใจจากใจนี้ จากสิ่งที่เรารักที่สุดนี้ถ้าอรหันต์าาเวลาที่จะตายนะท่านไม่เศร้าโศกท่านไม่ได้รู้สึกว่าท่านรัดทากจากของดีของพิเศษแต่ท่านรัดทักจากส่วนทุกข์ส่วนพวกเร า, าเรื่องเสียดายอะไรบนะ้างวัน hmm. เราก็เรียกรัดทักจากของดีของพิเศษเราเลยเศร้าโศกแต่ถ้าเรามาฝึกเจริญปัญญาไปเรื่อยเจริญ hmm. ในปรันานะมีสติรู้กายรู้ใจรู้อย่างที่เขเป็นครดูมันทํางานไปเรื่อย ร่างกายเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเป็นยังไงรู้สึกรู้ไปเร่อยนะปัญญามันพอนะมันกว่าไม่ยึดจืดเห็นแต่ทุกขนะ์เห็นทุกข์แล้วร่างกายจะแก่ทุกข์มันแก่ไม่ใช่เราแก่เห็นร่างกายมันเจ็บนะทุกข์มันเจ็บนะไม่ใช่เราเจ็บเห็นร่างกายมันตายตัวทุกข์มันจะตายสมนินนมนาคนไม่ใช่เราตายจิตนี้ก็เหมือนกันนะอย่าแปลตัวเราเป็นยังไงนะเราเห็นมันมันไม่ใช่ตัวเรา มันไม่เกี่ยวข้ออะไรกับตัวเรางั้นพวกเรามาฝึกนะพวกเราในฐานะที่พวกเราเป็นชาวพุทธทําทานมนาะดีแล้วรักษาศีลดีแล้วมาฝึกจิตให้สงบตั้งมั่นดีแล้ ว, แ, ลวแต่ยีงไม่พอหรอกต้องมาเจริญปัญญาด้วยคอยรู้กายก็รู้ใจคอยรู้กายคอย ร, รู้ใจเกรงบ่อยๆอยา่าเอาแต่ใจร้อยรู้มาเข้ามาเข้าวันนี้จะคลายความรักความยึดถือในกายในใจนี้เราจะไม่ทุกข์เพราะกายไม่ทุกข์เพราะใจนี้ต่อไป คนอื่นมาทำให้เราทุกข์นะเขาไม่มากเท่าไหร่นะแต่กายนี้ทําให้เราทุกข์ถึงที่สุดนะถึงวันหนึ่งมันทุกข์จนตายทุกข์จนตายใจของเรานะหาความสุขมาให้มันถึงวันหนึ่งมันจะต้องทลันฟ้าก็จะทุกข์สิไปแต่ถ้าเรามาฝึกจนมันดอมเห็นความจริงแล้วอย่างชั่วคราวร่างกายทั้งใจในแต่ของชั่วคราวใจยอมรับความจริงได้แล้วร่างกายจะแก่ก็เรื่องของกายไม่ใช่เราแก่ ร่างกายจะเจ็บกเรื่องของร่างกายไม่ใช่เราเจ็บร่างกายจะตายก็เป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เราตายจิตใจจะสมหวังจิตใจจะผิดหวังจิตใจจะรอบจะเปิดจะลงเรื่องของจิตใจไม่ใช่เรื่องของเราใครฝึกมันเข้ามาข้ามตื่นจนหนึ่งจิตเขาขันจิตจากกายจลกใจ น, ในใจั้นจะแยกออกจากกันไม่กลับมาวรวมกันอีกต่อไปจิตมันคลาจิตเหมือนพ้นออกจากกายจากใจไม่ยึดในรูปในนามในธาตุในขันธ์ ถ้าเมื่อไร่เราไม่ยึดถือในรูปในนามในท่าในคันในกายในใจนี้เราก็จะประจักษ์แจ้งอ น, นิพานอนิพานเป็นสภาวะที่พ้นไปจากรูปนามจากกายจากใจนี้ดันั้นถ้าจิตยังติดยังค้องยึดถืออยู่ในกายในใจก็ไปไม่เห็นอนานจริงหรอกแล้วเรามาค่อยเรียรู้กายรู้ใจนะพวกที่อยากได้อนิพานคำชานไม่ไป น, นิพานหรอกฤาษีไม่ไป น, นิพานหรอก สมาธิไม่ไปนิพพานะเจริญปัญญาไปนิพพานได้แต่ถ้าไม่มีทานไม่มีสีลไม่มีสมาธิก็เจริญปัญญาไม่ได้มันเหมืนบันไดหลายๆขั้นนะสีสมาธิปัญญาเป็นบันไดเป็นขั้นๆไปค่อยไต่ไปมีให้ครบนะมีห้ครบความดีเท่าไหร่ก็สะสมให้ครบไม่ใช่เจริญปัญญาอย่างเดียวไม่มีศีลใช้ไม่ได้นะฟุ้ซ่ใช้ไม่ได้คนไม่มีสีจิตไม่สงบ คนที่จิตไม่สบน ะ, จะเจริญปัญญาไม่ได้วิธีจเจริญปัญญาต้องรู้กายดูใจของตัวเองดูบวามจริงของกายของใจของตัวเองถึงจะเรียกว่าการจเจริญปัญญาอนะย่างอย่างเราส ม, มัยเราไปทบุญแล้วก็เพลนะินนะสมัยเราไปสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้สวยงามแนละ้วเพลินเะนี่ยนิพพานนะมไม่นิพพานนะไม่เห็นกายเห็นใจของตัวเองนะ เห็นกายเห็นใจแล้วก็นั่งแต่งหน้าทั้งวันสวยทั้งวันนะโอ้ยสวยกระจกพิเศษบอกข้าเถิดไม่มีใครงามเลิศเป็นค่าแล้วในไรประทับผีบอกตัวเองเลยกระจกมันไม่บอกเลยสวยอย่าง้นทั้งวันนะโอ้ไม่นิพานหรอนะไม่นิพานหรือหลงรูปหลงอะไรนั้นไปนิพานไม่ไหวถอคอารู้อยู่ในกายรู้อยู่ในใจเห็นของไม่สวยไม่งามนะของสศกหลงโศกรูปในกายในใจนี้ เห็นแต่ของไม่เที่ยงในใกายในใจนี้สุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะร่างกายก็ไม่เที่ยงเห็นแต่ของเป็นทุกข์เห็นแต่ของไม่ใช่ตัวเราเห็นแล้วเห็นอีกนะแหละถึงจะไปผ่านได้เพราะไว้หมนานๆเจอกันทีเป็นเท่เอาให้มากมากเลยต่อไปนี้เพียามรู้สึกตัวสรุปนะขั้งแรกสุดเลยละศักดิก์ศีท่าไ้ก่อนอย่าล้าเลย ถ้าไม่มีศีลเนี่ยมมปวดเรื่องสมาธิาไม่มีสมาธิเนี่ยมาปวดเรื่องปัญญานะมีศีลให้ก่อนจิตใจจะสงบสงบง่ายคนมีศีลสงบง่ายกว่าคนผิดศีล น, นะเนะี่ยคนที่จะฆ่าเขากับคนที่ไม่คิดฆ่าใครใครจะสงบกว่าใครคนทะี่คิดจะขโมยเขากับคนที่ไม่คิดขโมยใครใครจะสงบกว่าใครศีลจะทำให้ใจเราสงบง่ายคนที่คิดจะเป็นชู้กับเขาไม่สงบนะ คนที่สั น, นในคู่ของตัวเองก็สงบง่ายเห็นหน้าภรรยาที่บ้านใจก็สงบสันติตลอดเลถ้าเห็นก็เดินกระดีก้กระดาเห็นไหมไม่สงบเหรอเห็นแล้วบางทีเลือดซึ้งวันนั้นอีกนะเห็นแล้วโผล่มาสุภัฒเห็นแล้วกิเลสหายไปเยอะเลยงั้นเรารักษาสีหน้าใจสงบง่ายพอใจสงบแล้ว และไม่ฟุ้งซ่านกับโรคอย่าหลงโรคครยมารู้กายคอยมารู้ใจตัวเองบ่อยๆเมื่อไรเราถึงจะได้พิพามันนั้นไม่ได้เราได้แต่ขอศา ส, สนาพุทธไม่ใช่ศา ส, สนาที่ขอเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมเรืงสึ่งไนใครทําคนนั้นได้ทํำยังไงก็ได้อย่างนั้ น, นาตากิเลสกับต้องตรงกันนะอยากกินข้าวอย่างได้ข้าเปลือกก็ต้องไปทํานาอยากอยากได้รูปหัวม่วงก็ให้ปลูกต้นหัวม่วง ก็ข้าวไปหวานระวังไม่จะได้มะม่ ว, มวไม่ได้ทำทานรักษาศีลอยระวังว่าจนิพพานไม่นิพพา น, นแต่อาศัยหน้า ใ, ใคผลงานความดีเท่าไหร่ช่วยสงทอดเก่งขึนมีศีลขึ้นมาใจก็สงบง่ายใจสงบแล้วไม่ฟุ้งรือกายลืม ใ, ใจคอยรู้กายกย็รู้ใจเรียกว่าเจริญปัญญ า, าปัญญาแก่รอบมีมุตความใจหวาความรุนทนก็จะเกิดขึ้น ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราไม่ใช่ของยากธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงต่อพวกเรานี้เป็นธรรมะที่พอเหมาะพอควรที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทําได้ไม่ใช่ของยากทุกคนปฏิบัติได้นะแต่เราละเลยเท่านั้นเองหลวงปูเดินถึงบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติต่อไปน็นเราเป็นผู้ปฏิบัติสนทีนะ ไม่แก่แบบนั้นะแก่ไปตอไ่อไปก็เจ็บก็ตายรับรกจากสิ่งที่รับไม่มีความพร้อมจักไปโดยไม่มีความร้อมไม่ดีเลยอักตอนนี้ก็ดต้งกันส่งสกาวาดังะมาส่งทำไมสกาวาดก็ไ ป, ป, ปร่มกันน้ำส่งไปได้เอาอะไรใช้ส่งไ ป, ใใง ไ, ปไหนอ่ะ เลงงเลยเอาอย่าโศกให้โศกนะ <c oughs> ที่นึ่สัต ว, ว, ว์ามาเ่สันะปมนทงสแดงทั้จีจี๋แท้อีสตยแนที่สองคืสิคือสิ่งที่มาประกอบแต่จิตเช่นฟันสุกฟันทุกข์กุศลนากุศลทั้งหลายอันที่สามคือตัวรูปรูปอย่างร่างกายเราเป็นรูป อันที่สี่คือ 1, นิพพานเสภาวะทำสี่อย่างเนี่ยไม่มีหน้าที่สงนะมีหน้าที่รู้อะไรนะรู้สภาวะสามอย่างนะั้นก็จับสภาวะที่สี่คือ 1, นิพพานถ้าว่ามันเลทรงได้อนุญาตมันเป็นสมมุติเ็ื่อนั่นแหละก็หยอกเลก่นะออกนักรการท า, านาได้ได้ไดปฏิบัติตามท่รนอาจารย์สอนได้ประมาณสามปีขณนะนี้ก็คือ ไม่เยื่อนไลุงกายหรืรงจิตก็ถ้ารู้วันไรนก็ปฏนบัติไปนะแล้วถ้าจะไม่แยกว่าวันไหนไม่แยกว่าเวลาปฏิบัติรับมไม่ปฏิบัติดีก็ถ้ายังแยกเดี่ยวนะไม่ได้คิดหรอกการปฏิบัติเนี่ยทำตั้ต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาที่ทางานที่ต้องคิดเวลาที่เหลือต้องมีสติไม่ค้างคิดตัเองว่าเหมือนกา ย, ยว่างนหะายใจตั้งแตแยกแยกนะเป็นบาง้งเริ่มเริ่มค้รน่นนนะ ก็เคยดูไไดแต่เนี่ยมันแยกอยู่กมันแยกแล้วก็ดูแล้วก็ต้องทำอะไรไต่อไปเ้องให้จิตตั้งมันนะจิตกไปไหนสมาธิจําเป็นหน้าสึรู้สึกนมาถ่ายพครักรกกบกาแล้วรัมาหลวพอ่อให้มาว่าให้จิตถึงฐานที่ทํามั่นโยนี่นานแล้วเห็นว่าอาจะมันทัน พันกับทางที่จิตมันแว้บปแว้บวไฟแล้วรู้สึกว่ามันจะมีความนุ่มนลมวลหรื อ, อมสงบเกิดขึ้นมาจันจิต อ, อย่างนั้นก็เข้าใจว่าจิตตรงนี้น่าจะตั้งนั่งน่าจะถึงฐานแล้วที่ว่ามาดีนะในทำสอนแต่จิตตั้งมั่นจิตถึงฐานจากไปถ้าดูขันนั้นทำงานขันนั้นแย่ออกไปมีปนคนดู ส, บ, สบายๆเหตุขันทั้งหลายสแสดงใจับ ตอนนี้ดีดกว่าตรงเทีย่ยงพระอาจารทัาดีกว่าไหมนะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากกว่าในอดีตภาีนี่เดี๋ยวนี้มาถามหลวงพ่อที่เราไม่ตอบเล้วนะเอาจะใช้ภาษีทัททกก่อนตรงนี้ต้องใช้ถื่อนสิถึง ถ, งถามใช่ไหมถึงไมนะ่ได <laughs> ้ถึงนก็ตถืถ่ถอสิมั่นใจ ดับสระดับคุ้มชาติค่ะโรยปฏิบัน ใ, ในสลายหองยูมาหปีค่ะสำห ร, รับการเป็นจงโก้หลังจากนั้นก็ฟังซีดีของพ่อแล้วก็อา่านหนังสือมาณองปีค่ะหลังจากนั้นก็พยายามที่จะปฏิบัติเองอยู่ในชีวิตประจาวัานนะคะแล้วก็ตอนที่ช่วงที่ปฏิบัติ น, น ะ, ะจะมีเวทนาคือความปวดแล้วก็ หลังที่ ท, ท, ที่เวท น, นาหนักคือก่อนที่ความปวรมันจะนัค่ะเราจะเห็น hmm. เห็นสภาวะที่มันมีความบีบเค้นค่ะแล้วก็ mm hmm. เป็นอะไรนะมั น, มนจะมีความรู้สึกว่าบีบเค้อย่างเช่นปวดขาคนะ่ะ mm hmm. แล้วกพ็พอหลังจากนั้นก็มัจนจะคล้ายสุดเหมันจะไปที่ความรู้สึกว่าเรากลัวว่าตัวเราจะเป็นอะไรรนะ mm hmm. เรารู้สึกว่าเราเรารักตัวเองจังเลยในในขนาดนั้นค่ะ แล้วก็มีเหมือนมันมีอะไรยึดมีอะไรในตจรอยู่อพอเรารู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บอาจจะนะมันมันก็ดับไปหลังจากที่ดับไปนี้มันมัมีสภาวะเป็นสภาวะที่โล่งโลค่ะที่เล่ามาเนะั้นเป็นปัญญาสิกขาบทเรียนที่ชื่อว่าศีลสิกขาอะไรเรื่องเสียงบทเรียนที่สองชื่อจิตสิกขาอันนี้ยังไม่ได้เรียนจิตสิกขาเป็นบทเรียนที่อันภาคที่สุดเลย คนเลืว่าไม่ต้องเรียนถ้าไม่เรียนต้องพระเจ้าเขไม่สอนจิตศิษยาคือการเตรียมความพร้อมของจิตเพื่อจะเราจิตที่พร้อมแล้วเนี่ยไปเจริญปัญญาแล้วเราต้องมีจิตที่พร้อมกับการเจริญปัญญาจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปิดกว้างอย่างแท้จริงมันถึงจะเจริญปัญญาได้ไม่งั้นเจริญปัญญาไปแต่จะไม่ตัดกิเลสเพราแรงไม่พอกําลังไม่พอ ของคุณนะคอยรู้สึกอย่างนนะเวลาจิตไหลไปคิดเอารู้จิตไหลไปคิดเอารู้ฝึกตัวนี้ให้เยอะไปดูท้องของยุบไปก็ได้สิจิตไหลไปคิดเอารู้ดูท้องของยุบไม่ใช่เพื่อจะรู้ท้องที่ของยุบอีกต่อไปนะการดูท้องของยุบแล้วเห็นว่าต้องที่ของที่ยนะุบเนี่ยของอันหนึ่งยุบอันหนึ่งอนะไรเนี่ยยังไม่ใช่นะต้องดูฮนะต้องมีจิตที่เหมาะสมก่อน จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตที่ถอยตัวออกมาถอนตัวออกมาจากปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมาถ้าเราไม่มีจิตที่ถอนตัวจากปรากฏการของรูปธรรนามธรรมมันจะถลำลงไปรู้เวลารู้เราจะถลำรู้สึกไหมรู้สึกเออตัวนั้นสมาธิไม่พองนั้นต้องฝึกให้จิตตั้งมั่นก่อนวิธีฝึกแอคชั่ตั้ง ม, กก ม, งมั่นใช้ของยุบนี่ก็ได้แต่ไม่ใช่ดูท้องของโยบี ก, ก่อไปแล้ว รู้ท้องรู้สึกของยุคไปนะั้นแต่จิตหนีไคิดรู้ทันจิตไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตไปอยู่ที่ไหนรู้ทันการที่คอยรู้ทันจิตเนืองเนืองีอง่แหละที่กบเรียนที่ชื่อว่าจิตตะศิษ์ขาถ้าเรารู้ท่านจิต บ, บ่อยๆเนะี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบาดจิตจะทรงสมาธิชนิดที่จะใช้เจริญปัญญาขึ้นมาหลายคนน่าเสียดายนะลงมือปฏิบัติเหนื่อยมากมายเลยแต่ไม่ได้มีจิตที่ร้อน นะต้องฝึกจิตที่พร้อมหน่อยว่าปัญญาที่สะสมไว้มันจะเอามาใช้ที่หลังได้เราจะติดในในคําบริกรรมค่ะในคำๆๆอันนั้นจะเป็นสมาธิชนิดสง บ, ส, งบสมาธิมีสองอันนะสมาธิชนิดที่หนึ่งเรียกว่าอารมณูปนิชฌานอารมณูปิชฌานเนี่ยจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างเราบริกรรมนะหรือเราหนอไปเรืยนะหรือเราตูท้อลเลอะเท่งอยู่ที่ท้อง ยู่สงบอยู่ที่ท้องไม่ไปไหนเลยเวลาเดินจงกรมจิตสงบอยู่ที่เท้าไม่ไปไหนเลยนี่คืออารามโนปนิชฌานเอาไว้หนอนเลงไว้พักผ่อนจิตอีกชนิดสมาธิอีกชนิดหนึ่งชื่อรักขณูปนิชฌานจิตอย่างนี้ในท่านเตปิโตเคยเขียนไว้เยอะเลยนะอย่างท่านพูดถึงผู้ปฏิบัติจะเป็นกอกสูขุธรรมวาตตนะเข้าฌานหนึ่งสองสามสี่เลยนะี่ออกจากฌานมานะมีจิตเบา มีจิตอ่อนนะมีจิตคล่องแคล่วว่องไวควรแกการงานมีจิตซื่อตรงในการรู้รู้อารมณ์แล้วน้อมน้อมจิตชนิดนี้ไปเพื่อยานทัศน์นะเราถ้ามีจิตชนิดนี้ก่อนจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขะึ้นมามันจะมีความอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวมีความเบามีความนุ่มนวลนะแล้วก็ซื่อๆรู้อารมณ์อย่างซื่อตรงแ ล, แล้วเราถ้ามาฝึกจิตให้ดีส ต, นะดต่อนะเราค่อยเริยนปัญญาเราจะไปได้ไม่ยากหรอก เขาก็เคยฝึเจริญตัญญาชานาญอยู่แล้วก็สิ่งที่มีเด่นอีกอย่างก็คือสัญญาความจากาคือต้องสังเกตไหมว่าจิตของเราปัจจุบันแัะจิตของเราตอนเด็กๆเนี่ยแตกต่างกันกลับายเป็นจิตเด็กๆใช่แล้วจิตอย่างนี้นะแล้วจิตธรรมชาติธรรมดางเนี้ยแล้วอย่างนี้นี่ใจมันจะตื่นขึ้นมาแล้วเป็นจิตอย่างนี้ให้เนี่ ไปจิตใี่หจิตต้องเบาเบาขึ้นไหมาเออนุ่มหลนขึ้นไหม่อนนุ่มขึ้นหมมันไม่แข็งหมันไม่กระด้ามันไม่กด้างนั่นถ้าเมื่อไหร่จิตจิตหนักจิตกระดางจิตทื่อๆนิ่งๆจิตชนิเนี้เอาไปเจริญปัญญาไม่ได้หรอก แต่หนูอะไรเอาจิตอย่างนี้แหละไปเดนปัญญานึกออกไหมยังค่ะเออแก้ซะนะไปฝึกจิตให้ดีแล้วก็ที่หนูเดินปัญญาจะไม่เสียหลายหรอกนะปเป็นจิตเราอยังไม่ถูกนะถ้าจิตมันถูกนะไปเดินปัญญามัไปได้เร็ว น, นะการใเดี๋ยวปฏิบัติมาได้สักพักนงแล้จะผ่ช่วงนี้ มองเห็นเรื่องตาบ่อยแล้วแต่เห็นกีเรนก็มันไม่ชัดเจนออยากไหมก็บางทีก็รู้สึกว่าหงุดหงิดว่าไม่ชัดนหงุดหงิดทัวหงุดหงิดทำไมหงุดหงิบก็อยากให้ชัดอยากให้ชัดทั่าอยากตัวอยากให้ชัดอารมภาพอารมภาพเกิดเราไม่ได้อยากใจโทสะก็เกิดหุดหยิดนะให้จริงแล้วสภาวธรรมนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลามีอยู่แล้วอะ แต่ว่าเราเป็นวาดภาพไว้ก็เห็นชัดๆอย่างนั้นเองนนะเรารู้เรื่องความรู้สึกตอนนั้นรู้จักใจรอยไหม ใ, ใจลอยเราพอรู ว, รรว่าใจเป็นสุขใจเป็นทุกขใจเป็นยังไงรู้เล่นๆรู้บ่อยๆหาเครื่องอยู่แห้คิดเรื่องนึงอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหาใจอยู่กับต้องมองยึดอยู่กับอะไรก็ได้นะไม่ห้าม แต่อยู่แล้วต้องรู้ทสันจิตเพื่อจะพุ่งโตก็รู้สันจิตจ ใ, ใจหายใจก็รู้สันจิตจะพองยุบก็รู้สันจิตเราจะได้จิตที่ตั้งมัน่นขะึ้นสิ่งที่พวกเราขาดนะก็คือจิตที่ทรงสัาธิที่ถูกต้องนะขาดเ ย, ยอะนะโยมคารวะนะถ้าไปทำส ม, มาธิก็ไปทำสมาธิเครื่งเครื่องสมาธิเครื่งเคร่อไม่เอานะใช้ไม่ได้แล้วก็จะได้ใช้ชีวิตแบบเลื่เปลื่น อยู่กับความสวยงามความสุขความสบายไปเลยไม่นิพานง่ายหกเรก็ดูของกินดูกายใจดูได้มากครับแต่จะไป น, นิพานได้ถ้าเห็นทุกเหตุทโทษะของกายของใจเ น, นี่ยจะไปนิพานนะหลวงพ่อเตั้ง น, นตืเตนน้นเรยเรืองความเมื่อเอย น, นี้ำดี๋ยคนยังไม่เสร็จตื่เต้นะเป็นคาเรื่อย ใจตื่นใจสบายสบายอนะยเป็นบังคับเมืนมากนะคอยรู้สึ ก, กร่างกายเคลื่อนไหวแล้วซึ่งใจเราเป็นสุขก็รู้ใจเราเป็นทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้รู้จากสุขไหมรู้จากทุกข์ไหมรู้จากเฉยๆไหมให้กันบ้านนะต่อไปนี้ใจมีความสุขรู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจเฉยๆก็รู้เวลาที่เราดูสภาวะไม่ชัดเเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ตอถ้าเฉยเฉยอย่างนี้เยเอย่างนี้ไม่ออกต้องไม่น้อมใจเอนดิ้ง ใ, ใ, หให้เฉยนะใช้ใจเป็นธรรมชาติธรรมดาได้แท้แล้วร็ดูความ ร, รู้สึกที่เปลี่ยนไปใจ้็สุข ก, ก็รู้ใจกทุกข์ก็รู้ใจก็จเฉเฉยก็รู้แต่ถ้าน้อไมไปแล้วเขอกว่าเฉยอย่างนี้ไม่ใช่อย่าไปบังคับมันมีซีดีหลวงพ่อไหมเราไปฟงังนะฟังเล่นๆนะเคล็ับต้องฝังเล่นๆนะ ฟัจ จ, จ, จไม่รู้เรื่องหรอกอะไรสบายฟังไม่ไรู้สึกตัวสบายสบายแล้วก็รู้ปแต่เป็นสุก็รู้ต่เป็นทุกข์รู้ใจเเ ฉ, ย, ฉ, ย, ฉยก็รู้รู้อย่างนี้แัศกษาช่างยปฏิบัติมาก็ฟังสิทธยมตงแต่ีห้าถึนะคะปีนี้เป็นถึงเยา ต้องทําใจอนะ่ะจีนี้เวลามันก็อยากไปรู้ตกลงความาณนีนรู้ทันว่าจิตคิดนะเดไปเอารู้เรื่องที่จิตคิดนะ ร, ร, รู้ว่าจิตเป็นคิดไม่ต้องสนใจว่าคิดเรื่องอะไรก็ได้รู้ว่ามันหนีคิดพราันหนีไม่คิดนะแล้วเราก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิด ก, กุศลนะกนุศลขึ้นมาถ้าเรารู้ตั้งแต่ต้นทางที่จิตไหลไปคิดมันก็ไม่เป็นอะไรไสบายแต่ไม่โงใจนะ รูได้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้แต่มันจะเห็นบ่อยๆตรงตามที่ที่อยากจะให้หลวงพอที่แล้ววา่าต้องทารู้ทัว่าจิตไปคิดนะเราแคนั้นพอไม่ห้ามห้ามไม่ได้เพราะจิตมีหน้าที่คิดอย่าไปตรึงความรู้สึกแหงนิ่งๆนะนะเป็นเต้นไหมจะ ต, ตื่นเต้ยกรมี อ, อยู่พิศนุโลกหรอืออยู่พิศนุโก ค, ครับก็ ช่วงนี้ภาวนานเนี่ยถ้าขันไปแยกออกไปก็พตอน แ, บบแรกๆเนี่ยก็คือช่วงนี้ทำรูปแบบเจ่เนแยกแต่ช่วงหลังนี้ในชีวิตปะจำวันเริ่มไม่เยอะนี้เนี่ยมันมีอยู่บางครั้งที่จิตมันตั้งส ม, มาธราละเอียดแยกกเนี่ยรู้สึกว่าการรู้เนี้อภาวันนั้นชักเกดเจนแต่ฝักรู้ลืมันมันมันเร้อน อะไรอะไรนะฟังฟังผู้รู้ครับเรวมันเกแต่สภาวะนั้นมันเกิดแตงไปงผู้รู้ที่เริ่มเด่นนทะราบว่าน้เกิดสภาวะที่มันสติหลอนไปว่า อ, อย่าอย่าให้จิตเราไหไปที่สิ่งที่ถูกรู้อะไต่านะครับตัวนี้เราไม่หมายเราไม่กาหนดนั้นมันจะไม่ตัวรู้นี่มันจะไม่เด่นึ้าชัดอกถ้าไปหมายจนเด่นขึ้นมาเนี่ยทาผิดแต่ถ้าเวลาไปรู้สภาวะจิตไหลไปอยู่ที่สภาวะตัวที่หายไปเลยอย่างนี้ก็ผิด ก็คือจะเรียนร่านี่คอะไรแต่ว่าให้มันยังมีอยู่นะต้องมีอยู่แต่ว่าอย่าไปให้ชัดก็นบถ้าชเราผิดเองการเป็นผูปกคอใชครับแ้ถ้าเป็นผู้ปคองตัวรู้นี่นแก้ยากที่สุดเลยครับิการหลว่อคะโยมมีข้อถามสองถานะคะคำแรกก็คือหลังจากที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยทานรู้สึกว่า ร่างกายแหยไปแล้วก็สัเว์สิ่งรอบกายมั น, เ ป, นเป็นความว่างคนะ ก, ก็เลยความงชื่นกังวลกับคำว่ า, วามีประพงคคือในกรณีนี้พระเจ้าทิพิ์เทศนาได้อย่างมันว่างช่วคราวระว่าครับชั่ น, น, นะวก็ช่วงพาระว่วาได้ยังไงก็แค่รู้ว่านี่เป็นสภาวะอันหนึ่งเป็นพกพกหนึ่งที่ว่างๆเราไม่ไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นของดีของมีเศษเขาไม่ติดออกก็มันถอยออกมาแลก็มาดูการดูใจทํางาน ไมเข้าไปตัวนันก็ไปรับฟอนไม่เป็นไรแต่ท่านไปอยู่ตรงนั้นนานตลอดเวลานะปฏิบัติแล้วก็อยู่ตรงนั้นตลอดใช้ไม่ได้จะไเ ป, เ, ปเกิดเกิดเป็นปอารมณ์ผสมขันที่2นะคะคือคําล่าวเชื่อว่าเห็นผู้รู้ทําลายผู้รู้เห็นจิตกังไนจิตนี้คือการที่เราเป็นจิตเข้าไปรู้จิตแล้วรู้ลงถึงในหลักใช่ไหมคนระัใช่ทำลายผู้รู้ทํำลายจิตไม่ได้ทํำลายจริงๆ มันทําลายความโลภผิดนะเกิดหมดความยึดถือมันสลัดคลืนจิตให้โลกไปตรงนี้ไม่ใช่ภูมิของเราเข้านะถึงขัานอัคาปฏิญาณเดินตรงนี้ตอนนี้เราจะเดินกายเดินใจเดินทํา ง, งานไปเรื่อยนะจิตยังไม่เด่นเพราะจิตจะไหลทั้งมันเลยเหยวไหลแค่ทางตาหูจะบุกลิ้นกายใจนิมิชิตอย่างเงี้ยนะแต่พอเราได้ถึงขั้นขั้ น, น, น, น า, าันคาเนี่ย จิตจะไม่หลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเลจิตจทรงตัวเด่นตรงนี่พอจิตทรงตัวเด่นตรงอยู่เนี่ยถ้าสติปัญญาไม่พอจะรู้สึกว่าอยู่ตรงเนี้ยดีมีความสุขถ้าจิตมีความรู้สึกตัวอยู่อย่างเนี้ยดีถ้าจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตจะมีความทุกข์แม้จิตจะมีสองช้อยอย่มีจิตถ้าถ้ารู้ตัวอยู่เนี่ยเป็นจิตที่ดีมีความสุขถ้ามีความอยากมีความยึดก็มีความทุกข์ จิตเป็นสองเชนเดีกไม่ใช่จิตหนึ่งถ้ามาถ้าภาวนานะสติปัญญาแก่รอบขึ้นมาจริงๆเห็นตัวจิตจะตกอยู่ใต้ไตรลักตัวรู้อ่าตัวผู้รู้จะ ต, ตกอยู่ใต้ไตรัตัวผู้รู้จะไปเด่นสมัยได้ข้ามนาขานี่ส่วนใหญ่พอได้ตัวรู้มารนะวห่วงรู้เลยถ้าถ้าอยากถ้ายึดขึ้นมาอยากในอารมณ์ขึ้นมาตัวรู้จะเกินหลังรู้สึกไม่ดี แต่ถ้าภาวนาไปได้เอง น, นะตัวรู้เองก็เชื่อเสือไม่ได้ตัวรู้เองก็ยังตกอยู่ใต้ใจครับที่ว่าทําลายผู้รู้นะมันต้องถึงจิตที่เป็นตัวรู้นี่ก่อนนะจิตจะเป็นตัวรู้ได้นะต้องเป็นท่านอภารนะถ้าก่อนหน้านั้นอนะยวไปทําลายตัวรู้นะจะทําลายสติแล้วก็่อไปเจอตอนอยู่นั่นงอยู่เืองกาลมีวันหนึ่งนะมีพระองค์หนึ่งมาหาน้าลายไหลเลย ผมทำลายตัวรู้ไปแล้วบอกท่านทำลายสติไปแล้วสติแตกไม่ถูกนะต้องรู้สึกตัวก่อนอยา่าเพิ่งทำลายตัวรู้เวลามันทำลายตัวรู้นะมันเถ็นแจ้งอตัวรู้เป็นตัวเป็นทุกข์บางท่านท่านเห็นตัวรู้เป็นทุกข์เพราะมันไม่เจี่ยงบางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันถูกปิดพันเป็นทุกข์ขัง บางท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์เพรา็มันบังคับไม่ได้คือเห็นมุมใดมุมหนึ่งของไตรลักษณ์นั่นแหละเห็นจิตนั่นแหละตัวผู้รู้นั่นแหละตกอยู่ใต้มุมใดมุมหนึ่งของไตรลักษณ์ตัวผู้รู้ไม่ใช่จิตทั่วๆไปอย่างนี้นะจิตของเราไม่ใช่จิตผู้รู้เป็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะถ้าเต็มตัวผู้รู้ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จะสลัดคืนจิตให้โลกไหมันเหมือนเคยสลัดคืนกายให้โลกแล้วเป็นธระอนาคามี ถ้าถึงเงียบจิตเป็นทุกข์เรว่จะสลัดคืนจิตให้โลกสมบูรณ์เรียกว่าพระอรหับท่านไม่เรียกว่าท่านเป็นอะไรหรอกภ า, าที่เหลือจะมีจิตอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเป็นจิตที่ไม่มีอะไรยอมได้จิตของเราถูกยอมได้ได้หรือออกไหมจิตเราถูกกิเลสยอมบ้างถูกอุปสนยอมบ้างถูกความสุขยอมบ้างถูกความทุกข์ยอมบ้างแต่จิตที่ท่านปล่อยวางจิตไปแล้วทําลายผู้รู้ไปแล้ว จิตโทนนั่นเป็นอีกสภาวะเป็นสภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งอะไเป็นจิต ท, ที่คล้าออกจากขันยังเด็ดขาดเลยไม่ต้องประคองไม่ต้องรักษาไม่ต้องควบคุมแต่การคล้าออกจากขันนะั้นไม่ใช่คล้าเป็นสองชิ้นอย่างของเราตอนนี้นึกออกไปของเราแยกเป็นสองนั้นนะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นอันเดียวเป็นอันเดียวแต่คล้ายๆกับคนละเลเยอร์อย่างในอากาศตอนนี้มีเครื่องมีถยุมไหมมีใช่ไหม แมันกระทบกระทั้งกันเลยมันเป็นกระทบกระทั้งกันจิตก็ขันนะจิตก็ยังคลองขันอยู่ดำรงขันอยู่แต่ไม่กระทบกันนะไม่ได่แยกเป็นสองชิ้นอย่างที่พวกเราที่กำลังนักภาวนา น, นี้แยกนะถ้ายังแยกอยู่ในี่ยยั ง, ย ง, งรักษาตัวรู้อยู่พอนะตืน่นจิตสุดแล้วมันจะสลัดตัวรู้จริงไปเหลือแต่ธรรมชาติที่รู้เหลือแต่ธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติเลยแต่ธรรม ทำที่รู้สภาวะทั้งหลายทมตัวนี้แนตะ่สัมผัสอนิพพานสัมผัสอนิพพานมันไม่ได้แยกขันแยกออกจากขันเหมือนถน่มชั้นแยกเป็นชั้นๆเหมือนน้ำกับน้ำมันแยกออกจากกันไม่ใช่มันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่กระทบกันใครเรียนหะรืใครก็เห็นแต่เรื่อตัวรู้ถึงเร็นเยอ้นะ ัำพิธีกรรมทำ น, นาาๆนะคะเมื่อสองปีที่แล้วนะคะาไปที่ส่วนสันติธรรมแล้วผมก็พ่บอกว่าการยใจเรื่อผ่านจากการแล้วให้ว่าตัวเองรู้หรือเปล่าก็ก็คือไม่รู้นะคะแล้วก็บอกว่าจิตเนี่ยขังอยู่ข้างใ น, นะคะ่ะแล้วก็ใจก็ทํหนาให้ดูแต่ตอนนั้นก็คือไม่ได้ดูเลยสองสครั้งก็ไม่ได้ดูเลยจะต้องให้ไปดูกายแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะดืมกายอยู่ได้แล้วก็ส่วนส่วนใหญ่ก็จะ รูทันจิตที่มันเถือนไปมากกว่านะคบแล้วตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจิตเริ่มออกมาแล้วยังนะคะเริ่มไปไหนนะจิตที่ขังอยู่ั้างในนะคะบอกว่าให้พยายามที่กายแล้วก็ให้จิตที่ขัง้างในออกมาจิตนั้นแน่นแน่นแข็งแก็งซึมๆึมทืๆหมัวมัวเมื่อเมหมเ้เดวงดมไห ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าพอเผลอแล้วก็รู้เผลอคิดแล้วก็รู้เผล อ, อเผลอมีอารมณ์โกรธก็รู้อะไรอย่างนี้แต่ก็ลงไปูจิตขนาดนี้ปกติไหมไม่ออนะคะสัมพนใช้ได้ไม่ติดอย่างแต่ก่อนนะ้วงงไหมรู้ว่างงสิหัด เ, เรียนกรรมฐานนะไม่ใช่ว่าจะเอาความเฉลียวฉลาดอะไรหรอก เราต้องการเรียนนี้เดี๋ยวเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเพราะฉัอย่างความงงเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปหาคำตอบนะก็เห็นเลยความงงเกิดได้ก็ดับได้นี่เรียกว่าเรียนเป็นนะ่ะต้องใจถึงมากๆเลยถึงจะกล้าเรียนแบบเนี้ยไม่กลัวงงจิตขนาดนี้ซึงบ้างไหมซึมค่ะเออเนี่ยจิตซึงไม่ดีนะซึงเป็นชื่อของส่วงห้ามเรียนแบบ สีขนาดนี้กับตะคิดต่างกันไหมค่อือสีตอนน้นมันหอลุดออกมาทหามันเคลื่อนไหวได้อย่างนี้อย่างนี้ไม่เอานะอย่างนั้นตถูกขับอย่ ไม่เป็นที่เป็นไปแต่ถ้าดูแล้วสวยจังเลยแล้วก็ น, วก น, นิ่งหน่อยอ่างนี้เป็นที่เป็นไปแต่อยู่กนโลกนะไม่ใช่ว่าห้ามแต่งแล้แต่งตัวนะอย่างบางคนทาธุรกิจเนชะ่นนุ่งผาสิ้นนุ่งกระถุงเป็นเจรจาธุรกิจปากเขียวหือเลย <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครก็เจรจาด้วยก็ต้องรู้จักอนุลงตามโรคเหมือนกันอย่างเราเป็นสมมติอยู่โรงพยาบาลใช่ไ ก็ต้องมีมาตรฐานต้องมีได้มาตรฐานเท่าถ้าเราง ล, งลงตัดลงแต่เราไม่ลงทำนี่วม่ใช ก, การเจ่าตอนโยไม่ได้ไปที่สุงเลยทำมาประมาณีไม่ได้ส่งสถาบันแล้วค่ะนทีที่ผ่านเนี่ยก็ทำในรูปแบบมากขึ้นนะคะแล้วก็ตามโูการ ใ, ใจไปคะเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วอย่างมันป่วยขาเร็จมากมแล้วก็ คือเห็นเวทนาเป็นไหรอเปล่าแกยกับเวทนาแยกนไดมแยกค่ะเจิตกับเวทนาแยกไหมแยกค่ะเปิแยกแล้วมันเป็นรูปอะไรก็คือว่าอยากรูวคือตอนเนี้ยมันเหมือนแบบคนนะคอยมองตัวเองจะนอนแต่คนที่คอยมองเขาแน่นิ่มีความสุขเลยนะถ้าไปคอยมองแบบจับผิดเครียดๆไม่ดีเวลามองมัชอบเราว่าเราโม แต่ม่มนมมนมมันเป็นตนะัวรมันไกัเป็นตาลยร ม, มันด้วแ่นรา ม, มองว่าเร า, าที่เป็นสมมติกับกายนะยดาบเกดา จ, จิตนะครูบาอาจารย์ห้ามดา จ, จิแตแรู้เฉยะรูอร้อย่างนี้ไอย่างนั้นถักถ า, า น, นะเมื่อตอนเดกครูบาอาจารย์ลงชื่อลงูข่าวไปได้จริงจ หลวงปู่ถมมาโยนตอนลงตรงนะั้นขี้โมโห่ตอนนา้นะจิตมันไม่รวมท่านดา่าอ่ะจิตไม่เร็ตาไม่มางิตาตายใช่ช่มันใหญ่หลูมัม่นยนะยิอยู่เชิงเขาเชเช้าเจอแนะล้วอบรมอย่าไปด่าจิตนะอย่าไปดานะี่งด่ายิงโมโหอ่ะยั<ม>งเราต้องดูมันด้วยตัวเม็ดตาไมไปเยอะใหญ่นะ แต่ดูเป็นเรื่ปะเมตานน่าสงสารนะยังไม่รู้ถูกหลอกอู้แต่วันนาก็รู้อ่อนโยนจะกป็นไหมให้ดูรู้อยู่เฉยๆรู้อย่ า, อยางอนโยนือเรื่ใจที่ อ, อ่เนโยนนะถ้ารู้เใจจะประหัรประหารนไม่ดีแขงไปไแขงไปไหมเออหลก็ดำดาอย่างนีน <laughs> รู้สบายๆนะรู้พยายามเองต้องสู้ กรรมฐานง่ายกว่าที่เราเริ่เยเยถ้าเราเชิญการกรรมสการปฏิบัติเพิ่งปฏิบัติมาเองน ะ, ะไม่นานไม่เท่าไรดีกว่าเยปฏิบัติถ้าอเรียนถามอาจารย์ว่าเวลาลงโปรดแล้วก็รู้ว่าโปรดแต่ว่าอยากจะตอบโต้ตอบโต้นะคะแต่ไม่ได้ทำาทีเราลยกหนีไปแล้วก็หรือไม่กยเฉยๆนั้น เป็นสภาว่ธรรมทิ้เราทิ้งสภาว่าธรรมหรือสภาวทางโลกค่ะคือโกรธเกิดมาห ร, ราวร่าโกรธททีแล้วแต่ท่านโกรธแล้วมันจะล้นลงไปทางกายทางวาจาเราไม่ให้ล้นนะั้นก็คือสีตั้งใจรักษาสีไว้ก่อนถ้าโกรธมากเลยสีใกล้จะ ข, ขาดแล้วมือกำลังจะไปแล้วเดินหนีไปไม่เป็นไรดีเลยทําทให้เสียสีแล้วตอนนี้ปฏิบัติเป็นยังไงบ้านแบบขอที่แน่ กาปฏิบัติเป็นก็ดีสิไม่ต้อจะเป็นอะไรนะใ <c oughs> ครดูไปได้เลยนะอ่างสมยเรารักษาศีลได้ดีเราดูจิตโดยใจได้บ่อยแล้วเราภูใจว่าภูเก่ง น, นะแต่พอรู้ธรรมหรือภาวนาไปดูจิตดูใจไปเห็นกิเลสเกิดทั้งวันเลยโมโหมันเกลียกกิเลสอย่างเงี้ยหรือตำหนิตัวเองว่ากิเลสเยอะก็อยา่าไปตำหนิมันครรู้สบายสบายรู้ไปอย่างสบายๆที่รู้อยู่นาะดีนะรู้สบาย โยนแล้วต้องยีไม่ตองลงมาทิ้งไปลงไปดียวได้จ้ากรลงนั่งไปเดียวเดียวได้จ้ากรแก่ประมาน่าก็ปฏิบัติมานานแล้วจ้าการแต่ว่าก็ปฏิบัติบ้านทิ้งไปบ้านไปเรื่อยๆก็ ก็ยังคิดว่ามีความก้าวหน้าขึ้นเหมือนกันใช่เห็นด้วยคือคนใกล้ชิดเมื่อก่อนพูดอะไรเนี่ยจะขัดหูฟังหูวังตาเดี๋ยวนี้ฟังได้สบายสบายเรื่อยๆเฉยๆแล้วเขาคิดว่าเขาเป็นเช่นนั้นเองเอางี้สิ เดีคิดว่าเขาเป็นเช้นเองก็ดีแล้วล่ะก็ไม่มีเรื่องนะอะไรแร้วก็ดูใจของเราเรามีความเห็นขาดใจกับเขานะเรารู้ทันเลยว่าอนนี้เรายืดความเห็นของเราเขาไม่ดีความเห็นของเขาถ้าเรายืนใจความเห็นเราก็รู้ทันแต่อะไรเกิดขึ้นในใจเราคอรู้ทันที่เราฝึกใช่ได้นะจะฝึกอีกใช่ไหมรู้สึกเมื่อเดี๋ยวนี้จิตมันป่อนลวมลวนมีเมตตาอยากให้ทานอยา อยากให้อะไรคนอื่นเยอะๆดีๆรู้สึกไห้นะดีแล้ ว, ลวเวลาเราพอนานะจิตใจเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลนะพอจิตมันมีบุญมีกุศลมากๆนะมันจะล้นออกไปข้างนอกนะมันมีความสุขอยากเผื่อแพ่ให้หาคนอื่นด้วยแต่ไม่เหมือนกับพวกที่ขันนะพวกภนานี่ๆน่ะแล้วขันอยากสอนเาไปทั่วเลยมีไหม แต่นั้นไม่เรียกว่าจิตเป็นกุศลหรอกเนื้อตัว ก, กิลเลสหรอกแต่อย่างโยมภาวนาไปนะจริตใจเป็นกุลเป็นกุศลมีเมตตากรุณาอะไรเงี้ยเป็นธรรมชาติก็ดีแล้วล่ะแล้วควรเพิ่มเติ ม, ตมอะไรอีกจ้ะคะมีสติใบห น, น้นะเห็นร่างกายมันเป็นของถุกรู้ทูกดูเห็นความสุขความทุกข์เป็นของถุกรู้ถุกดูค่ยๆฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจิตจะได้เดินต่อไปมากกว่าใคร มาคนเดียวนี้นมันก็เดียวอีกทั้งจำได้ไหมคอยดูร่างกายเป็นของถูกดูความสุขความทุกข์เป็นของถูกดูกิเลสเป็นของถูกดูใจเราเป็นแค่คนดูตัวอย่างนี้บ่อยๆนะจำได้ไหมเคยมีสองครั้งได้ยินเสียงพูดที่หูใช่อืมพูดเสียงเรื่องอนาตาเออก็แค่รู้นะแค่แค่รู้แต่นันเขรน ผมเคยทำสิง่งีนะ่เขาทำ่เรื่องของการที่จะทำผมก่อนหน้านี้ผมสีคำพน์บ้าเลยกรณก็มีติดคุณผ่านตรงีแต่ว่าสันธุ์ทุกคำันธผมก็ตอตัวเองได้เพราะว่าคือผมฟังสิ่งที่ผมฟสแล้วคือใครพับโหลดขึ้นในน้ผมก็หลดประหว่างเดินทางก็เอามาใส่ามปั่นอเลยผม ผมไม่เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะครับก่อนที่ผมจะฟังซีดีหลวงพ่อผมรู้สึกว่าผมมีความสุขขึ้นมามากชีวิตผมครั้งเรื่องที่ทํางานเรื่อเจอคนที่ต้องเจอต่อความกดดันหรือว่าอะไรหลายอ ย, ย, ย, ย, ย่างนะครับผมได้ส่งตัวตัวเองผมผมมีความสุขของผมผมผมไม่มีคำถามา น, นครับถ้าหลพ่อมีอะไรมีแนะนำ ก็พยาสอต่ต้องดึฐานนะโดยการไมจินตินฐาไม่รู้สักตี้จินตมไม่ทราบเราย้อนไปดูจิตจมันมันรูได้เน่มันจะได้หรนเตมมันไม่เข้ามาหมจะดีหอกใช่ไหอนี้จิงมันไม่เข้าฐานวิธีหนึเลยให้สิ่งเข้าฐานเลยไม่ไปสอบสัครับถ้าบังคับแล้วจะเครียด วิธีฝึกให้จิตเข้าฐานเนี่ยให้ใช้วิธีรู้ทานว่าจิตแอบไิดถ้าจิตนี้ไปคิดเรารู้ว่าจิตแอบไปคิดเรารู้นะจิตจะเข้าฐานได้เมื่อวันเมื่อวันมีครั้งนึงครับผมเมื่อวานตอนเย็นผมกําลังทํางานอยู่แล้วเกิดคิดถูกคนขึ้นมาฟัอยู่แล้วแล้วมันก็มันก็รู้ว่ากําลังคิดถูกคนแล้วมันก็ตัดกลับมาหรือเกิดขึ้น ประมัณนึ่งวครับเ อ, อ น, นัน <ไป S 2> วเวลาที่สมาธิเกิดนะเกิดเป็นแป๊บเดียวเลยถึงเรียก ว, ว่าคณิกะสมาธิเป็นจิตนีไปคิดมันหนีทั้งมาเอย่ล้ครับแต่ไปนี้จิตนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้ไม่จาเป็นต้องรู้ว่ามันคิดอะไรด้สั้นไครับแค่รู้ทางที่จิตหนคิดเสร็จเราจะรู้สึกได้ทีละแป๊บแว๊บนะใช่ครับนหนแแล้วไอ้แป๊บหนึ่งเนยถ้าถ้ามันเกิดบ่อยๆมันเกิดบ่อยมันเกิดจะรู้สึกต่อเนื่องขึ้นมา ครับใช่ครับได้เป็นจำนะจิตเคลื่อนออกไปเรารู้ทันจิตจะเคลื่อนไปทางป่ารู้จักไหมจิตหลงไปทางตาครับเป็นวัยนกันะจิตหลงไปทางใจไปคิดรู้ไหมครับครับนะรู้อย่างนี้บ่อยๆนะจิตจะตั้งมันขึ้นนะครับผมครับการรับสการน้องขาดไม่เคยไม่เคยเลยความ ได้ใ่หลงพอมาส่ในคลิปได้ฟังซดีชุดต่อนนี้ก็มีข้อที่สี่ใส่เรื่องพ่อบอกว่าเราดามไปแล้วไม่รู้อะไรแล้วไม่ให้ถึงคืน่ตอนนี้ก็สงสัยคือสมมุติว่าตัวเองกลูนะกนดก็จบไปละ ไปสักสามชั่วโมงก็นึเรื่องเก่านี่แหละมันโกรธอย่างงี้เรียกว่าตึงกลับใช่ไหมคก็ไเคียดไม่เครียดตึงกลับเนี่ยก็คว่าจิตนี้ไม่คิดบังคับมันกลับเลยราก ไ, ไปกลับม า, ม า, บมาห้ามหนีไมีคิดหนึ่งอยงนั้นีจะเครียดส่วนว่าถ้าจิตจะคิดแล้วรู้ทันอย่างนี้นไม่เรียกว่าตึงกลับแต่ว่ากลับไปคิดใหม่ เรเดิมเาไปคิดเรื่องเดิมอันนี้ก็คือหลงครั้งใหม่เป็นการหลงครั้งใหม่ไปหลงคิดซ้ําเรื่องเดิมแล้วเราเราก็คือปฏิบัติลงปัจจุบันเรียกจิตเป็นชีวิตกรู้ทันอีกนะก็รู้ทันอีกจิตหนีไปคิดอีกก็รู้อีกหนีไปคิดอีไม่เป็นได้ปกติแล้วคิดเรื่องเก่าๆกิเลสแล้วก็กิเลสเก่าๆใครมีกิเลสใหม่ๆบ้าง เวลาทักแล้ก e> ็เาเก่าๆใช่ไหมตัวสารโมโหเก่าๆกแล้วกันใช่ไอ้เกิดไอ้คนเก่าอีกแลบมันเกิดนะมันกลดใหม่สดๆร้อนๆรู้ทันรู้ลกปัจจุบันไปเรื่อยๆนักการข้าอาจารย์ครับผมได้ปฏิบัติมาแล้ว1นปีครับ ผมขอถามว่าในการดูปัจจุบันเนี่ยจะเหมาะในการดูจิตหรือดูกายครับโอ้ดูอะไรได้เดี๋ยวก็ดูได้ทั้งหมดเลยครับก็ดูมาทั้งกิตทั้งกาศครับพอดูจิตเนี่ยที่ผานมาเมื่อไป จ้ดูจิตแล้วในการในการเกิดดับจะไม่ค่อยเจริ น, น, นี้แนตะ่เราไมเรียกว่าดูจิตเกว่าเพ่จิตดูกายก็เหมือนกันเจะไปจ้องถ้าจ้องายแล้วจ้องสติไม่ใชใส่ตัด น, นี่ก็ไม่ใช่การลูไก่เป็นเพ่งไกนะ่การดูจิตก็ไม่ใช่ไปจ้องตลอดเวลาอยากจะดูให้ชัดก็ไปจ้องไปเฝ้ามันจะนิ่งๆไม่อไรให้ดู วิธีดูจริงนะก็คือตาหูจะบูกลิ้นกใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติเรากระทบอารมณ์แล้วเนี่ยจิตยินดีขึ้นมารู้ทันจิตยินร้ายขึ้นมารู้ทันจิตโลภจิตโกรธจิตหลงรู้ทันครับท่งจะต้องไปตามธรรมชาติอย่าไปดับดูไว้ก่อนถ้าระดับดูไว้ก่อนเนี่ยมันจะนิ่งไม่มีอะไรให้ดูครับเมื่อก่อนก็ดูข้างนอกก็เห็นการเกิดดับแต่ถ้าว่ายา จากก็เลยเข้าไปข้างในก็เลยเป็นการที่เพงไม่เกิดดักเไม่เกิดนะนนเพ่งจิตครับถ้าเพีงเราไม่มีดักเกิดดักครับครามแนะ น, นำสิ่งที่ผิม่มีสองอันนะที่พระพุทธเจ้าห้ามท่านเรียความสุนโตกสองด้านด้านที่หนึ่งที่ท่านเรียกว่าการสุขาริการิโยคคือการที่จิตของเราเนี่ยหลงหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปกระทบสัมผัสทางกายหลงไปคิดไปเลืไปโผล่ไปแต่ง โต้ตันกิเลสไปอันนี้ยอดหย่อนไปอันที่สองเรียกว่าหักตรรกะฐานนิยกการบังคับกายบังคับใจอย่างเรานั่งเข้านั่งจ้องนะกายก็เครียดใจก็เครียดอันนี้ก็ไม่ถูกเพราเราก็แค่รู้สึกนะรู้สบายสบายเสียเริ่มต้นเลยอยากรู้ให้ชัดอยาอนน่าเริ่มต้นเลอยากจะรู้ตลอดเวลาถ้าอยากรู้ชัดอยากรู้ตลอดเวลาจะกลายเป็นเพ่งกายเพ่งจิตแล้วมันจะนิ่งไม่แสดงใจละ ครับเดีย๋ยวรู้สบายบายทำได้ทำได้ไดีไ่ยากเลยขอขอบคุณครับนี่ก็จะอยู่ข้างเดียวเลยนะ <c oughs> ขอหลบตพนอจะเป็นรักตา <c oughs> หมวดจ <c oughs> ังอีไหมปวดอ๋อแม่ตีต <c oughs> ีจะเป็นนักตา อ่าว่าแปลกหมดแล้วเริ่มสุดแล้วยังมีเวลาเลยนะท่านอาจารย์มเวลาเหลือเป็นภาวนาเวลาห้านาทียังจะหวงอีกเจ้าค่ะทางชมรมใหญ่นโรงพยาบาลพุทธคชินราชนะเจ้าค่ะได้ฟังธรรมจากพอาจารย์แล้วคิดว่าทุกท่านจะเอาไปเจริญภาวนาตามแนวทางนะเจ้าค่ะ แล้วก็ในการนี้ยังมีปัจจัยที่ยางโยธาไหลพระอาจารย์นะคะจะขอให้แพทย์หญิสุนีจิตารสภิชาเป็นตัวแทนการถวายนะคะก็ขอให้พวกเรากราบตามนะคะข้าแต่พระอาจารย์ปราโมทปวามรุงโรจน์ข้าพเจ้าทั้งหลาย ซึ่งปัจจัยทายาทากับท้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระอาจารย์ปารมุตปารมุตชขอพระอาจารย์โปรดรักซึ่งปัจจัยทายาทากับท้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการัฒาเกินตลอดการพาง่อโธนารเ่แ่นวงยกให้ล่บาทถั่งให้อต้องให้สหับอมาชยลวให้ลงบา ให้หยกพอดีนะอาลัพรอนยันท้าวารีวะอาราภริภุเรนทีสาคารเมวเมวไอโตตินังเซตานังบัปกปติอิชิตังกิตังทุมอังคิปเมวะสเิจตุสัคเทภุเรโตสังคปจันโทกันนราโสยะทามันยิโชกิราโสยะา สัพพิทิโอวิวัชชนตสัพพารโขอินสัสโตมัเตปาวะมันตรายโยสุขิตีกายุโขภาวะอภาิวัตนาศิลสนิจจังทาราหิโนจ ต, ตารุธรรมวัฏฐนตีอายุวันโนสุขังพระรามหลวงพ่อสอนให้ฟรีๆนะข่ารถค่าเรือไอตัวพ่อเขออกเองนะพวกเรามีหน้าที่ ต้องภาวนานะใครใม่สาวนาไม่แช่งเลยแช่งแคเกิดอีกเกิดแน่นอนต้องได้อาวนานะเกิดทีไรเป็นทุกๆทีนะต้อะบอกเหลือเวลา2นาทีเกิดทีไรกเป็นทุกทุกทีและแค่นีอยากให้ยันเกิดนะเดี๋ยวเราก็ไป